คนเราส่วนใหญ่ปรารถนาก็คือการมีสุขภาพดีมีครอบครัวดีการงานดีฐานะดีเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คิดมีความสุขได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนแม้จะมีสิ่งเหล่านี้ ได้ว่าพร้อมพรั่งนะแต่ก็ไม่พบความสุขอย่างที่ต้องการเท่าไหร่บางครั้งไอ้ความทุกหรือว่าความทุกข์ใจเช่นความเบื่อหน่ายความเซ็งมันก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุที่จริงสาเหตุมีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไร นี่ก็เป็นปัญหาของคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ามีสามีที่ดีนะเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอาบายมุขไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าการพ น, นัน เป็นคนรักครอบครัวลูกชายสามคนนะก็เรียนดีแล้วก็ไม่เกเรมีเพื่อนดีนะไม่ค้องแวะอบายมุขที่จะทำให้พ่อแม่นะหนักอกหนักใจแล้วตัวเธอก็มีสุขภาพดีฐานะการเงินก็ดีนะมีเวลา ใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศนได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็น่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งนะเธอก็รู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายมันเป็นความเบื่อที่ไม่ได้ จอดจงที่อะไรอันหนึ่งนะให้เรกเป็นความเบื่อหน่ายชีวิตก็ได้ที่แรกก็นานๆครั้งก็เป็นทีนะต่อหลังก็เริ่มเป็นถีขึ้นทีขึ้ น, นแล้วตหลังก็กลายเป็นความสังกตายนะรู้สึกสังกตายกับชีวิตในแต่ละวันตื่นขึ้นมาแต่ละวันก็ไม่ได้มีความสุขสดชื่นเบิกบานกนะ็สงสัยนะ ควา ม, มี ช, ชีวิตชีวาความเบิกบานมันหายไปไหนและพอความสังกัดตายความเฉาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็เริ่มมีปัญหานอนไม่หลับตาหมดเลยความวิตกกังวลแล้วต่อหลังก็มีอาการตื่นตระหนกนะมันชื่อเราแพนิกอีกแล้วก็นึกว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนวัยนะฮอร์โมนคงจะเปลี่ยนแปลง รือมีอาการผันผวนแบบนั้นแต่ว่าไปหาหมอหมอก็ว่าปกติดีแต่อาการที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่มันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นความที่ตกกังวลความตื่นตระหนกรลุมเล่ามากขึ้นสุดท้ายก็ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้ก็เป็น คนที่น่าสนใจนะเพราะว่าแกไม่ได้คิดแต่จะให้ยาคนไข้แต่มีเวลาที่จะพูดคุยแล้วก็เป็นคนที่มีพื้นฐานด้านการทำสมาธิภาวานาโดยเพราะการเจริญสติไม่ใช่แค่รู้แต่เรื่องของศาสตร์สมัยใหม่แล้วคุยกับคนไข้ ซึ่งอายุประมาณสักห้าสิบได้นะคุยรับฟังเรื่องราวปัญหาของคนไข้คนนี้อยู่พักใหญ่เลยเสร็จแล้วหมอนี่ก็บอกคนไข้ว่าเนี่ยอยากให้ทำอะไรสักอย่างนะให้คุนพูดดังๆชัดๆเลยนะ 3ครั้งประโยคสั้นๆเนี่ยพูดว่าอะไรนะพูดว่าฉันอนุญาตให้มีความรู้สึกสั่งตายที่เป็น เ, น, เนหายๆและมันจะเกิดขึ้นนะตลอดชีวิตของฉันทีแรกคนค้าก็ไม่ยอมนะ พูดได้ไงเนี่ยฉันพูดไม่ได้หรอกฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความรู้สึกสังกตายเป็นไปนไหนหายแม้มันจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตไม่ยอมพูดนะแต่หมอก็ขยันขยอให้ให้ลองพูดนะพูดเต็มปากเต็มคำเรือสามครั้งสุดท้ายเธอก็ยอมนะ พอผู้เสร็จหมอก็ถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอบ้างเธอก็บอนะรู้มันมรู้สึกติดขัดที่ลาคอนะรึบรู้สึกปวดเกรงไม่ถึงกับปวดอเกรงนะที่ท้องแล้วก็รู้สึกตกใจที่แะวชาบริเวณหน้าอกหมอถามเธอว่าเนี่ย อาการที่ว่าเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันมันเลวร้ายมันเป็นอันตรายกับเธอป่ะคนข้ก็บอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็มันรู้สึกาเป็นปัญหาอะไรอันนี้หมอก็ชวนนะให้คนไข้เนี่ยลองพิจารณาลองมองไอ้ความรู้สึกสังกตายที่เกิดขึ้น ความเบื่อความเฉาที่เกิดขึ้นในขนาดนี้แต่ให้มองแบบไม่ต้องตัดสินนะไม่ต้องให้ค่าว่าดีว่าไม่ดีนะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแค่รับรู้มันเฉยๆลองสังเกตความรู้สึกที่ว่านี่ดูเธอก็ลองทำสักพักนะแล้วหมอก็บอกว่า ถามว่าเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาไหมไอ้ความรู้สึกเนี่ยเธอก็บอกมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่นะมันแค่รบกวนใจเอเฉยเฉยหมอก็เลยแนะนําให้เธอเนี่ยลองนะลองไปสังเกตความรู้สึกนี่ดูอย่างที่ว่าเนี่ยดูมันเฉยเไม่ต้องตัดสินไม่ต้องให้ค่ามันว่าดีไม่ดี เธอก็กลับไปนล้วก็ทำตามที่หมอแนะนำหละะังจากนั้นก็มาหาหมออีกครั้งสองครั้งและตอลังเธอก็บอกว่าทำตามที่หมอแนะนำแล้วนะรู้สึกมันมีความรู้สึกป่าปนกันสองอย่างความสุดแรกนี่คือวามสุดผิดหวังผิดหวังที่มันไม่หายสักทีนะไอ้ความรู้สึกสังกตาย แต่ก็อีกความรู้สึกหนึความสึกโล่งใจโล่งใจเพราะว่ายอมรับมันได้แต่ก่อนเนี่ยรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกตื่นตระหนกนะเพราะว่ายอมรับมันไม่ได้แต่พอเริ่มที่จะยอมรับมันได้นี่มันรู้สึกโล่งรู้สึกเบาสบายขึ้น นี่เธอเริ่มเห็นแล้วนะว่าปัญหาของเธอเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ความรู้สึกสั่งตายความรู้สึกเฉาความรู้สึกเบื่อนะแต่เป็นความรู้สึกต่อต้านไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอแต่พอเธอเริ่มยอมรับมันได้อ น, นุญาตให้ตัวเองรู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเครียดมันมันเบาลงเลย รู้สึกโปง่งรู้สึกโล่งและแต่หลังเธอก็พบว่าทั้งนั้นที่ความรู้สึกสังกัตใจไม่หายนะแต่ว่ากลับมีชีวชีวามากกว่าเดิมกลับมีความเบิกบานกว่าเดิมก็แปลกนะไอ้ความเบื่อความสังกัตใจไม่ยังไม่หายแต่ว่ากลับรู้สึกเบาสบายรู้สึกโล่งรู้สึกมีชีวชีวากว่าเดิม สิ่งที่หมอแนะนําเธอคืออะไรนะคือให้ยอมรับพอหมอรู้ว่าเนี่ยปัญหาของเธอเนี่ยคือการที่ผักใสนะต่อต้านไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอผักใสแล้วไม่ไปนะยามกดของก็ไม่หายก็เกิดความต่นตหนกแต่ ท, ทันทีที่ยอมรับได้นะให้ความทุกเนี่ย มันคลี่คลายลงนะความตื่นตระหนกก็หายไปก็กลายเป็นว่าเธอก็สามารถอยู่กับความสุดสั้นก็ตายตด้โดยที่ใจที่ไม่ทุกข์แลวต่หลังที่เราน้อยที่เราน้อยนะมันก็ค่อยๆคลี่คลายหายไปคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดอารมณ์บางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้แต่เป็นเพราะเราจัดการกับมันไม่ถูกต้องนะ มันจะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ให้มากขึ้นและความทุกข์ที่เพิ่มมากขึ้นนีบ่อยครั้งเนี่ยมันหนักกว่าอาการเดิมที่ปรากฏจริงๆเนี่ยไม่ต้องเจอกับอารมณ์สังกตายหรือความเบื่อหน่ายอย่างที่ผู่หญิงันนี้เจอก็ได้นะในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยเราก็มักจะเจอเหตุการณ์ ที่ไม่ค่อยชอบเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นไปดั่งใจจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเรามากเท่าไหร่แต่ที่เป็นตัวปัญหาคือการที่เราไม่ยอมรับมันการที่เราพยายามผลักไสปฏิเสธมันอยางมีผู้ชายคนหนึ่งก็เล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งเรียกแท็กซี่เนี่ย ไปวัดพระแก้วนัด ก, กับพี่สาวไว้แต่พรกว่าเช้าวันนั้นรถติดมากเลยแล้วก็เลยเวลานัด ก, กับพี่สาวแกก็เริ่มงุดหงิดนะร้อนรนยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งงุดหงิดมากขึ้นแต่สังเกต น, นะแท็กซี่เนี่ยจะไม่ค่อย มีอาการร้อนรนหงุดหงิเท่าไหร่ก็เลยแปลกใจนะถามว่าพี่รถติดแบบนี้นี่ไม่งูงิดเลยเหรอแท็กซี่ก็ตอบว่าผมไม่งูงหรอกไม่งูงิดหรอกครับเพราะไม่รู้ว่าจะงูงิดไปทําไมงูงิดไปก็รถก็ยังติดเท่าเดิมนี่แกพูดน่าสนใจนะงูงิดไปก็รถ้วก็ติดเท่าเดิมแล้วแกก็ คุยกับผู้แต่สารว่าเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็ไม่ได้มีอาชีพนี้หรอกนักแท็กซี่อทำงานบริษัทกินเงินเดือนแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอิสระก็เลยมาขับแท็กซี่ดีกว่าแล้วแกก็พูดต่อไปว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อจะเลือกอาชีพอะไรก็ต้องรู้ว่าจะเจออะไรผมเลือกอาชีพแท็กซี่เนี่ยก็รู้ว่าจะต้องเจอรถติดนะ ก็ต้องยอมรับรถติดนะว่าเป็นธรรมดาอันนี้คือแค้นรับของแท็กซี่นะที่ตายจากผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยก็คือว่าเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่คนนึ่งเนี่ยเงินหยุดแต่คนหนึ่งไม่เงินหยิดเพราะคนนึงนี่ยอมรับได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปัญหารจริงเนี่ยมันไม่ได้เพราะรถติดนะปัญหารจริงเกิดขึ้นเพราะว่าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ และในชี่จริงคนเราเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่รถติดนะมันเจออะไรต่ออะไรองมากมายที่แย่กว่านั้นบางทีก็ถึงกับเจ็บป่วยได้โรคร้ายหรือว่าสูญเสียคนรักของรักพี่คนหนึ่งเนี่ยเธอเอาอยุแค่30นะชีวิตก็กำลังจะรุ่งโรจน์นะมีความสุขกับงาน แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็พอตัวเองเนี่ยเป็นโรคมะเร็งมะเร็งก็เพราะปัสสาวะซึ่งเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับคนแก่หรือคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำแต่เธอเนี่ยก็อายุแค่30นะแล้วก็ไม่เคยแตบุหรี่เลยตอนที่เธอรู้ว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้เนี่ย เธอเครียดมากแล้วก็หงุดหงิดเวียงวีนใส่คนรอบตัวโทษหมอที่วินิจฉัยโรคช้าแล้วก็วีนใส่คนที่บ้านพ่อแม่เพื่อนฝูงแต่ตอนหลังเนี่ยเธอมีคนแนะนำให้เธอเนี่ยลอง ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติดูก็เป็นโอกาสที่ทำให้เธอได้มาหันมามองตัวเองแล้วเธอก็เพราะว่าปัญหาของเธอเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่โรคมะเร็ง น, นะแต่เป็นเพราะการที่เธอเนี่ยวางใจไม่ถูก เธอพู้ดีเธอบอกว่าเนี่ยมะเร็งไม่ได้ทําให้รอยยิของคุณหายไปในความทุกข์ใจต่างหากที่มันทําและที่ทุกข์ใจก็เพราะยอมรับไม่ได้เธอพู้ประโยค2ประโยชน์นะที่น่าสนใจมาเธอบอกว่าเนี่ยบางครั้งความจริงมันก็โหดร้ายนะชีวิตเราเนี่ยบางครั้งก็เจอเหการบางอย่าง เป็นความจริงที่โหดร้ายแต่สิ่งที่โหดร้ายกว่าคือการที่ยอมรับความจริงไม่ได้ความจริงมองข้างก็โหดร้ายแต่ที่มันโหดร้ายกว่าคือการที่ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะมันเสมือนกับคุกที่ขังใจเราเอาไว้เธอผู้จะประสบการณ์ตัวเองนะเพราะพอรู้ตรงนี้เนี่ยนะใจเธอก็ค่อยยอมรับความจริง ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ผักใสไม่ปฏิเสธแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ยอมรับเลยนะทำไมต้องเป็นชั้นชั้นอายุแค่สามสิบทำไมต้องเป็นมะเร็งฉันไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยกินเหล้าันก็ใช้ชีวิตปกติดีทำไมต้องมาเจอแบบนี้การบ่นตีโพตีภายคร่ำครวรเนี่ย ซึ่งเป็นอาการของการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เธอเป็นทุกข์มากแต่พอเธ อ, อยอรับความจริงได้นะความทุกข์มันบรนเทาเบาบางลงไปเยอะเลยเธอก็หันมายิ้มได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตนะอย่างปกติสุขได้ แม้ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายสิ่งที่เราพูดนี่เป็นสัจธรรมนะบางครั้งความคิดก็โหดร้ายนะแต่การไม่ยอมรับความคิดต่างหากที่มันโหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนพวกที่ขังใจเราเอาไว้ถ้าลองพิจารณาดูนะเวลาเราเจอเหตุร้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประสบกับสิ่งที่ไม่รัดหรือพัดพาจากคนรักของรักเนี่ย ให้ที่เราทุกเนี่ยมันทุกเพราะอะไรแนะ่ทุกเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราหรือทุกเพราะใจที่ยอมรับไม่ได้ถ้าหากว่าตอนนีที่ใจยอมรับได้นี่ความทุกข์นี้มันจะลดลงไปได้เยอะเลยนี่เป็นประสบการณ์คนหลายคนนะที่ทำให้เขาเนี่ยแม้ว่าจะเจ็บป่วยด้ือโรคร้ายเนี่แต่เขาก็ ไม่ได้มีอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายหรือว่าหงุดหงิหัวเสียมีนักเขียนคนหนึ่งนะเป็นนักเขียนที่ก็เรียกว่ามีชื่อพอสมควรนะเพราะเป็นนักเขียนที่ได้รางวัลเขียนหนังสือมานี่ก็สบเก้าเล่มแล้วแต่คนอ่านนี่น้อยคนจะรู้นะว่าเธอเนี่ยป่วยด้วยโรคร้ายนะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เลย เป็นโรค ก, กล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเกิดจากเซลล์ประสาทที่ขายสันหลังเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะเซลล์ประสาทที่ขายสันลังนี่สําคัญนะเพราะมันมันเกี่ยวข้งของกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายตอนที่เธอเริ่มเป็นนีก็อายุแค่10บขวบนะทีแรกก็มือไม้อ่อนเดินก็ไม่ค่อยสะดวกตอนหลังก็หายใจลําบาก ทัวนี้เดืายใจได้แค่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยร่างกายก็แย่จกนกระทั่งต้องนอนบนเตียงเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็นั่งรถเข็นมือนี่ก็หงีหงงอนะพูดจา ก, ก็ลำบากแต่ก่อนเนี่ยอก็ใช้ยิดแบบรอวันตายนะตั้งแต่ยุยี่สิบได้ก็รอวันตายแนละ้ว พอรู้ว่าโลกเนี่ยมันรักษาไม่ได้แต่ต่อหลังเนี่ยมีวันนึงเธออ่านหนังสือนะที่แม่ยืมมาจากห้องสมุดเป็นหนังสือนิยายอ่าแล้วเธอก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเขียนนิยายบ้างก็เลยเริ่มลงมือเขียนทีแรกก็จับปากกาเขียนได้นะแต่ต่อหลังเนี่ยมือเนี่ยมันอ่อนแรงจับปากกาไม่ได้ก็ต้องเคาะ เคาะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แต่ตอนน่อหลังก็เคาะไม่ได้แล้วเพราะว่ามีแต่ข้อนิ้วข้อนิ้วชี้มือขวาเท่านั้นที่ใช้งานได้เธอก็ไม่ไม่ลดความอุตสาหันนะก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละจิ้มเอาใช้ข้อนิ้วชี้มือขวาเนี่ยจิ้มเอาทีละตัวทีละตัวเวลาเขียนหนังสือนี่ต้องนอนนะกับเตียงนะเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้ ตรงใกล้ๆหมอนแล้วก็เอามือเนี่ยพาดบนหน้ากากที่ช่วยหายใจนะเพราะเธอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเอามือพาด น, นะแล้วก็ใช้ข้อนิ้วชี้เนี่ยไปจิ้มที่คีย์บอร์ดที่อยู่ทางใกล้ๆกับหมอนเนี่ยจิ้มทีละตัวทีละตัวหน้านึงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่เขียนได้เป็นเล่มนะเลาเขียนได้สิบกว่าเล่ม ทั้งที่ไม่เรียกตายไม่เลยแต่เธอก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความทุกข์มากเธอเพื่อให้ดีนะเธอบอกว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันดีกว่าความสุขนะความสุขมันทำให้เราฟุ้งล่องลอยแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงซึ่งดีกว่าการฟุ้งล่องลอยมากเธอก็ยอมรัเธอทุกนะแต่ว่าพอยอมรับความทุกข์ได้นี่ มันกลายเป็นดีไปพอยอมรับความทุกข์ได้ก็สามารถอยู่กับความทุกข์ได้โดยใจที่ไม่ทุกแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขกับการเขียนหนังสือมาช่วยทดแทนหล่อเลี้ยงจิตใจถ้าเธอยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวไม่ได้ยอมรับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวไม่ได้นี่ก็คงจะอยู่แบบทุรนทุรายจะว่าแต่แรงบันดาลใจใ น, นในการเขียนหนังสือเลยนะแค่กําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่นี่ก็ ผมไม่มีแล้วแต่ทันทีที่เธอยอมรับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ซึ่งในบางแง่เนี่ยมันแย่กว่ามะเร็งนะก็ทําทให้เธอเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะใจยอมรับในความทุกข์ของกายหรือความเจ็บป่วยทางกายได้การที่คนเราจะยอมรับความทุกข์ได้ในส่วนหนึ่งก็เพราะเราเห็นประโยชน์ของมัน อย่างที่นักเขียนคนนี้ชื่อเพลว์ชื่อเล่นชื่อเพลวยอมรับความทุกยอมรับความเจ็บป่วยของตัวเองได้เพราะเห็นประโยชน์ของมันเห็นว่ามันช่วยทําให้อยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงได้ดีขึ้นทําให้ไม่ฟุง้งไม่หองลอยพอเห็นประโยชน์หรือข้อดีของความทุกหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะมันก็ยอมรับได้ง่ายขึ้นอันนี้คล้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งนะ เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วก็เป็นหนักมากเหมือนข้อซ้ำ ร, รมซัดนะมาเป็นมะเร็งอีกแต่ครันี้พอเป็นมะเร็งเนี่ยมันกลับทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนท่าทีต่อความเจ็บป่วยนะเธอยอมรับมะเร็งได้เพราะมะเร็งเนี่ยมันมันให้สิ่งดีๆกับเธอหลายอย่าง นั่นคือทําให้เธอเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและทําให้รับมือกับโลกได้ดีขึ้นก็เลยมีความสุขขึ้นเลยไม่กลัวมะเร็ง ย, ยอมรับมะเร็งได้เพราะมะเร็งเนี่ยมันทําให้เธอเข้าใจตัวเองแล้วก็รับมือกับโลกได้ดีขึ้นตัวบอลเนี่ยถ้าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงตายเพราะโลกซึมเศร้าไปแล้วเพราะพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว3มครั้งเพราะโลกซึมเศร้าแต่พอเป็นมะเร็งนี่บุมมองชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะ ขนาจิตแพทย์ก็ยังออกปากแล้วว่าทัศนคติการมองโลกการมองชีวิตเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เลิกเป็นมะเร็งแล้วเธอยอมรับมะเร็งได้เพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์นะมันช่วยทําให้เธอนะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นแล้วพอเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นก็รับมือกับโลกได้ดีขึ้นแล้วพอยาวยอมรับลงมะเร็งได้มันก็ยอมรับโลกซึมเศร้าได้ พ อ, อยอมรับโรคซึมเศร้าได้ความทุกข์จากโรคเหล่านี้มันก็ลดน้อยลงก็เหมือนกับกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ทั้งที่มีโรคนะทั้งซึมเศร้าแล้วก็โรคมะเร็งนะเกิดขึ้นกับตัวเธออันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่เขาสามารถจะรับมือความทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพเพราะว่าเขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องอาศัยสติมากทีเดียวรวมทั้งการที่สามารถที่จะมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นและพอยอมรับมันได้นะมันก็เหมือนกับว่าความทุกข์ที่กดหน่วงเอาไว้เนี่ยมันก็หายไปทุกกายยังมีอยู่นะแต่ว่าทุกใจก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะไม่เวลาเราจะมีความทุกข์เนี่ย แม้จะเป็นความทุกข์กายหรือความทุกข์ใจเพราะความพัาดพาดสูญเสียหรือประสบกับภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานนะที่จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้คือยอมรับพอยอมรับมันได้นะใจมันก็เบาใจมันก็ ความทุกข์ก็ขี้ข่ายลงไปอาเช่นนี้พูทธนนี้นะโอากาสพระ